เราบางทีปัญหาเราอยู่ตรงเราอยากเป็นอรหันด้วยแล้วอยากมีกิเลสพร้อมๆกันด้วยครับคือเรามีเงินพุ่งพงด้วย <c oughs> มันมันเลยต่อยาเหมือนเหมือนอะไรบางสิ่ ง, งซึ่งซึ่งเป็นฝักฝายู่ตลอดเวลาตัวอย่างเหล่านี้มีมากเลยครับต้องขนขวาที่ศึกษามันมีเรื่องในแผ่นดินจีนนะครับน่าสนุกไม่เพียงสนุกอย่างเดียวนะครับชวนคิดว่า ด้วยประสิทธิภาพของการสอนอันแม่นฉมังของคณาจารย์นิกายเซนอะไรล่านี้นะซึ่งเรามักจะฟังมาในเรื่องตลกขบขันฝรั่งเจอหน้ากันจะถามว่าเล่าเรื่องเซนให้ผมฟังเป็เรื่องที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องตลกครับเพราะเรื่องราวเหล่านั้นชวนชวนคิดในแง่ตลกเจ้านาจารย์ีบลูกศิษย์เต็มแรงแล้วก็บรรลุธรรมอะไรบงองนี้นะแต่แท้จริงเรื่องเหล่านี้มีดา่าดื่นในพระธรรดกฝ่ายบ้านเรานะครับ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 ในใจของเรานั่นเองไม่ใช่เรื่องตํารับตาํารามีเรื่องหนึ่งที่เขาวาดเป็นภาพพระกราบโรงแรมครับพอท่านไปไปศึกษาเซน จ, จากอาจารย์จ้างสอนว่าต่อไปนี้เธอก็อย่ามีใจนะคือใจมีแต่ว่าอย่าให้มันมีขึ้นมาอะไรบุญองนั้นนะถ้าเกิดเดินนึเรื่อ ง, เ ร, อ ง, เ, รองเรื่องกําหนด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 สงครามครั้งหน้าจะเป็นไรเรายังไม่รู้เนื่องจากประสิทธิภาพของมนพของพลังจินนาการพลังจินนาการเลยให้ทั้งคุณนันโทษเด็ดเสร็จนะครับ ม, มีคนไปถามอันเบอร์ไอสตล์ว่าให้ช่วยพยากรณ์สงครามโลกครั้งหน้าเขาบอกเขาพยากรณ์ไม่ได้แต่ถ้าครั้งที่สีแล้วได้คือมนุษย์จะเริ่มใช้ก้อนหินทุกหัวกันกนีกคนนึงคือมนุษย์จะศูนเผ่าพันธุ์แล้วต้องเริ่มต้นกันใหม่ นี่คือประสิทธิภาพของสมองนะแต่เพราะกั น, นั้นความเจ็บปวดในสังคมของมนุษย์ก็เกิดจากความชานฉลาดของสมองยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยดึงออกมาใช้นี่คือสิ่งที่เราทอดทิ้งองค์อินทรีย์ที่สำคัญหรืออาจายันาที่สำคัญนะครับผมอยากจะเรียกว่าอายัดนะที่ไม่มีความทุกข์ครับมีอยู่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 ล้างโดยไม่ต้องขึ้นกับการเวลาแต่ไม่ใช่เสแสร้ัไงมันเนิบช้านะล้างตามปกตินี่เองครับในสุดระบบสัมผัสจะกลับคืนมานะรอยค้นพบว่าเมื่อเราล้างชามด้วยระบบสัมผัสเราไม่ไม่หยุดแค่ล้างชามครับเรากำลังตามติดรอยบาทของพระเจ้าไปด้วยครับนี่ไม่ใช่คาโฆษนาชวนเชื่ อ, อยาสีฟันย่อใหม่นะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อเราสมรวมตัวเรามาดีพอนะครับ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 ติดมาตั้งแต่เกิดเลยเรื่องกระดองเต่ากัเต่านั้นเป็นเดียวกันไม่มีกระดองเต่าไม่มีครับเต่าไม่มีกระดองก็หมดความเป็นเต่าทันทีมนุษย์กับสภาพปกติเหมือนกระดองเต่ากับเต่าถ้าจะพูดว่าตัวเราที่แท้จริงมันคือใครครับคือสภาวะปกติครับแล้ะปกติอย่าถามผมนะว่ามันปกติยังไงปกติคือปกติครับเพราะว่าความปกตินี้มันมันจะบอกตัวมันเองครับมันเหมือนมันมีปาก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 เราคิดถึงความหลุดพ้นได้ครับแต่นั้นไม่ใช่ความหลุดพ้นแต่เราจําเป็นมากที่ต้องกลับเข้าไปสู่รากฐานในตัวเองเหมือนที่ผมอุกมาเหมือนเต่าหดกลับเข้าในกระดองเส้นทางการเดินทางกลับนี้ครับสำคัญที่สุดครับความเจริญองอกงามก้าวหน้าไม่ว่าของปัจเจศหรือชุมชนหรือสังคมโลกก็คือการเดินทางกลับเข้าสู่ฐานะแรกเริ่มก่อนเกิด เมื่อพระภิกษุรุ่งหนึ่งชื่อไวยมิงนะีออกติดตามสังคปริยยกที่ยังไม่ได้บวช่วยหลังครับเมื่อชวนตัวท่านวางบาตรเพราะว่านักบวชคนนั้นประสงค์บาตรและจีวรของเชื่อกันว่าเป็นของทูตเจ้าพระภิกษุไวยมิงก็กราบอุบาสกน้อยที่ต่อมาเป็นสังคปริายกว่าช่วยสอนธรรมะท่านผีคืออะไรกันแน่สังคปริยยกองค์นั้นก็บอกว่า เธอทำจิตใจให้อยู่เนื้อดีเนือชั่วแล้วก็ย้อนรอยไปสู่ภาวะที่ก่อนเกิดก่อนบิดามารดาพบกันคืออะไรนี่ไม่ใช่รหัสปริศนาธรรมดานะไม่ใช่ทายเล่นสนุกแต่เป็นการย้อนลึกเข้าไปภาวะก่อนเกิดภาวะก่อนเกิดมีเบ็ดเสร็จในตัวเราคือก่อนเกิดเรื่องเหมือนว่าก่อนเกิดการตรุงแต่งขึ้มนมาคงคงไม่มีถ้อยคําใดครับที่แจกแจงให้เปิดเผย ถึงภาวะนี้ได้ถ้าเปิดเผยได้ด้วยคำพูดมันไม่ใช่ภาวะก่อนเกิดภาวะก่อนเกิดก็ต่อเมื่อสิ้นสุดคำอธิบายสิ้นสุดความคิดปรุงแต่สิ้นสุดความทะเยอทะยานสิ้นสุดการไขว่คว้าต่างๆแล้วครับฟังแล้วดูเหมือนเป็นงาทียากแสนเข็นนะครับตอนนั้นที่สุดเราพบว่าไม่มีทาออกอื่นใดเลยสำหรับมนุษย์เริมักเ่ง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 เรากำลังดําเนินชีวิตยอยู่ในทางซึ่งไม่มีคําตอบครับแล้วก็หน ม, มันจะวกวนไม่มีที่สิ้นสุดด้วยครับผมอาจจะพูดตามเพลิ น, นใจตัวเองตามที่รู้สึกนะครับบางท่านอาจคิดว่านี่ไม่จริงเลยเรามีความหวังเราก็ลังแต่งงานใหม่เราก็ลังได้รถยนต์คันใหม่แต่ขอให้ดูดีๆนะครับขอดูดีๆไปสิ่งอันนี้มันจะใหม่อยู่ตลอดกาลหรือไม่นะครับมันจะใหม่อยู่ทุกๆวันหรือไม่อย่างนั้นดูกันไปครับ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 ถามมันเป็นอะไรไม่มีใครรู้ครับเช่นเดียวกับคำถามหลายคำถามที่ว่าอะไรเป็นอะไรหลายเรื่องที่เราตอบไม่ได้นะครับแม้แต่คาถามทำไมเรายังพูดได้ที่ร้ายที่สุดคือทําทำไมความรู้สึกตัวยังปรากฏที่เราคำถามมันดูคล้ายๆบัญญาอ่อ น, นครับลองถามตัวเองดูว่าความรู้สึกตัวจริงๆของเราเป็นอะไรเราเพราะว่าถ้าเราถามย้อนลึกเข้ามาในตัวเองนะ สมองเราจะเงียบทันทีมันจะหายซุกซนทันทีครับปกติสมองเรามันจะเตลิดเปิเป็นเรานั่งเลาะชอบปล่อยบางครั้งเราใช้คำว่าจิตแทนสมองนะครับคือสิ่งที่ทําหน้าที่คิดนึกเราปล่อยปละความคิดก็เดินไปตามตามใจปรารถนาของมันใน่สุดวันหนึ่งก็กลายเป็นนิสยัยติดคิดเมื่อมีนิสัยติดคิดแล้ว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 ไปในที่ใหม่ที่เราต้องการผูเพื่งงานต่างจะบินตามไปเองครับข้อนี้ผมอุบมาเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวนี้นะครับทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันจะหลุดออกจากความคิดสมมติว่าผมนั่งอยู่คิดอะไรเพลินถึงเพื่อนที่ตายจากกันไปยหลายปีเนื่องจากอายุมากเขาก็คิดเลื่อยเฉยไม่ได้รู้ตัวนะครับสมมติว่ามีลมพัดกระโชกเย็นรู้ขึ้นมา โดยธรรมชาติต้องกลับมารับรู้นะครเพราะร่างกายเป็นแหล่งเหมือนกับเลด่าะนะครับประสิทธิภาพไวัยมากๆรับที่จะรับรู้และร่างกายเป็นที่สถิตของความรู้สึกฉับไวนะพอมือแข้งนิงจะเย็นก็ พ, พิบตามเย็นวูบกนีนะมันรู้ตลอดเวลาแม้แต่ความลืมสมมติเราลืมกุญแจนึกออกมันยังนึกออกว่าลืมมันรู้จักความลืมด้วยครับ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 เวลางโง่ก็รู้ว่างโง่ครับดังนั้นเราเห็นประสิทธิภาพอันนี้นะฮะแล้วเราพดุมตัวนี้ขึ้นมาครับกระตุ้นในตัวนี้ทําหน้าที่ขึ้นทุกทีทีขึ้นมาทวงดุลกันก่อนกับพลังอนานาจของความคิดนะความคิดก็พลังหน้าจความคิดกับพลังของความรู้สึกตัวเริ่มได้ส่วนกันนะตอนนั้นจะเข้าสู่กระบวนการบรรษทัทฐานคือกรมกลืนครับเริ่ ม, มกลงกลีนทั้งนี้ไม่ได้หมายว่าให้เราเลิกใช้ความคิด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 นานเข้านะครับเรื่องที่คิดเป็นสึกถึงเรื่องมันจะสั้นเข้าสั้นเข้าคือคิดสั้นเข้ารู้ตัวไวขึ้นอย่าที่กลัวว่าความคิดสั้นแล้วจะไม่ดีนะเราํารวจเล็กๆก็เพราะว่าความคิดมากมายส่วนใหญ่ที่เรามีในหัวขยะดั้งนั้นนครับสูเรามีความคิดน้อยแต่ว่าทุกความคิดแจ่มใสชัดเจนนันดีที่สุดครับโดยย่อแล้วก็คือกระตุ้นความรู้สึกสดขึ้นมาเพื่อจะ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 ในความหมายธรรมดาสามัญนั้นไม่เหมือนความรู้สึกตัวในที่ผมหมายความนะครับเช่นเราพูดว่ายื่นมือไปถูกแก้วโดยมีสติอย่างนี้อีนี้ก็ใช้ได้นะครับคำว่าสติแต่ความรู้สึกตัวนี่มันไม่ใช่เหมันครับเรามีขวดใบนะครับอ๋อเรามีขวดหรือแก้วน้ำอยู่มีน้ำบรรจุอยู่เต็มนะครับ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 สมมติมีลมพัดมาเนียครับลมเย็นพัดวูบมาเนี่ยถ้ารู้ไม่เฉยคืออ้อมีลมเย็นพัดมามันคิดลุงแต่งด้วยครับลมกำมันสู่กายเราเย็นดีสบายดีอย่างนี้เรียกลูกแบบปรุงแต่งครับส่วนรู้ล้วนๆหมายความว่พัดวูบมาเนี่ยมันมันผ่านเลยคนระับมันไม่ไม่จดจำสิ่งนั้นไว้ดังนันความรู้ล้วนๆความรู้สึกตัวล้วนๆนะครับใครที่จริงฝ่ายพระยาเขาเรียกพุทธะครับ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 จิตทุกดวงไหครับคือความตื่นแต่เราตื่นไม่มากครับขณะนี้เนี่ยเราต้องปลุกร้องใมันตื่นมากกว่านั้นความตื่นอนนี้บางทีก็เรียกพระพุทธเจ้าวไวัยรุ่นนะอะไรนะว่ามันตื่นสว่างสวัยขึ้นมาดังนั้นเราเป็นเม็ดพันธุ์ของพุทธเจ้าครับเราไม่ใช่องค์พุทธเจ้าที่บริบูรณ์แล้วแต่ทุกคนมีธรรมชาติของความตื่นซ่อนแฝงอยู่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 ก็เกิดเป็นต้นไายใหญ่ขึ้นะออกลูกออกหลานเป็นหมื่นเป็นแสนไม่รู้จบเลยครับทันใดก็ฉันนั้นครับมนุษย์ก็คือเมล็ดพันธุ์ของพุทธะการภาวนา น, นั้นคือการเพราะปลูกเราให้มันตื่นขึ้นมันช่างน่าแปลกจริงครับที่เรานั่งตรงนี้เราสลืมสลือง่วงพอใครผู้หญิงเปลือยขอเทษะเดินผ่านตื่นกันเต็มตาเลยแต่ตื่นด้วยอานาจของอุปาทาน ทำไมันไม่ตื่นด้วยพลังในตัวมันเองนะครับชาร์จพลังมาเองครให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อจะรับรู้โลกที่จสาสไสและชัดเจนกว่า น, นี้แล้วเพราะว่าในขณะเราง่วงนอนความคิดเรารุมแตแกลายแล้วเราไม่มีแรงต้านเราปล่อยให้ความคิดต่างๆที่เราไม่ต า, าดสนามเข้ามาย่อมหยีขณะที่เราชิมกระทือเนนีะ้หรือขณะที่เรานั่งรถไปต่างจังหวัดง่วง ไอ้ส่วนหนึ่งก็รู้ด้วยว่าคนมองอยู่หน้าตาอายวันห้าที่นู้หูหน้าปากโคบพนะกคำหน้ า, น า, า, นนนาแต่ไม่มีกําลังที่จะตื่นแต่พอรถชนเงินโครมตื่นจําสายขึ้นมาเ น, ะน้นการภาวนาไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรครับมันเป็นเรื่องที่ดึงพลังที่ซ่อนอยู่ให้มันตื่นามากกว่า น, นั้นผมจะยกตัวอย่างนะครับอุปมาหลายหายอุปมาเหมือนที่ต้องการ เราเป็นนัเกเรียนกันทุกคนนะครับเคยผ่านชั้นประถมทั้นวิทยมอะไรก็ตามใจแล้วส่วนใหญ่คงรู้เห็นการลงโทษของครูเช่นเรามาเรียนสายลืมทํากันบ้านครูก็ให้ยืนยกขาข้างเดียวบ้างปากขามไม้บรรทัดบ้างเลี้ยวอ้ายเพื่อนแทบแทรกมันดินหนีเลยใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าครับเราก็รู้สึกอายเพื่อนล้อก็ต้องไล่แต่ไล่ควนกันให้ยุ่งงงงวันยี่สิบปีให้หลัง มาเรียนนังสือนังหาแล้ววันงานขึ้นรุ่นรุ่นเล่านั่นแหละเล่าเพื่อนฟังอย่างคึกคื้นด้วยความเซ้อของเราเองเราเล่ามันอย่างคึกคื้นสนุกมีความสุขต่อเรื่องเพินครั้งหนึ่งเราเจ็บปวดแสมสหาห์ผมตั้งคำถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นชายผู้นี้เอาชนะความเจ็บปวดได้อย่างคึกคื้นเลยนัาแสดงวอามนุษย์ทุกคนนะครับ ซ่อนพลังความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคซ่อนไวอ้อย่างอย่างอย่างดีเลยนะครับแต่มันกินเวลาตั้ง20กสิปีจึงจะฟื้นตัวได้แต่สำหรับบางคนนั้นเขาฟื้นตัวได้เร็วมากนะคำถามก็คือศักยภาพในการอยู่เหนือความทุกข์ศักยภาพที่จะทำให้ตัวเอง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 ความสงบสุขได้ด่มดันได้แต่เนื่องจากเราไปสะกดะกดทับมันอยู่มันแสดงตัวเหมือนกับเราออพี๊บคลุมหัวแล้วก็รู้สึกก็ไม่มีคนในห้องนี้ซึ่งไม่ตรงตามที่เป็นจริงเลยนะความสงบชนิดที่เกิดจากการกระทมนั้นไม่ยิ่แท้ถาวรนะรมึงไม่ได้ทำหรือในโอกาสในสภาพแวดล้อมใหม่มันก็ไม่สงบแล้วข้จริงอันหนึ่ง่งน่าตกใจนะครับ คนที่สงบมากเพอทีนี้สมัยหนึ่งเนี่ยร้ายกากมากนะเพราะเก็บกดไว้ตลอดเวลาพอระ เ, รเบิดออกมาทีนี้เอาไมา่อยู่นะจริงๆมีความสงบอีกอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เฉิียวใจสงบเพราะรู้ตัวครับเหมือนกับว่าคืนหนึ่งเรานอนหลับฝันว่าวิ่งหนีผีหรือเสือจะจะั๊ในฝันเราตกใจวิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะครับสุดแรงเกิดล้วกลัวด้วยนะแต่พอเราตกใจตื่น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 แต่ว่าไม่มีใครยื่นมือข้นมาได้ในตัวเราเรื่องมันเกิดในเราต่อพระพุทธเจ้าสิบพระองค์นี่ครับท่านช่วยเราไม่ได้เลยครับผมไม่ได้พูดในทอแท้นะอย่างผมผมนั่งอยู่อย่างนี้นะฮะผมกระพิบตาทุกท่านก็สังเกตได้ผมยังเป็ น, เ ป, นเป็นอยู่ยังไม่ตาผมแกล้งไม่กระพิบตาแต่ผอดหายใจไม่ได้คนที่อยู่ใกล้ก็สังเกตเห็นว่าผมยังเป็ น, เ ป, นเป็นอยู่อ๋อผมแกล้งหยุดหายใจด้วยนะ ผมคิดอะไรรู้ไหมครับถ้าผมไม่ดูสักคนเดียวนี้จะไม่มีมนุษย์คนไหนเห็นอีกเลยในะที่ความคิดเกิดแล้วพระพุทเจ้าก็ดีครูก็ดีนะยธรรมะแปด0มื่นสี่แปดหม0 0นสี่พันยื่นเขามาไม่ได้เลยครับมีคนเดียวมีธรรมชาติหนึ่งเดียว